บัตนีจัแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานนั้นบางครั้งท่านเรียกว่าภาวนาและในคำวมภาวนานั้นเด่นก็ได้จับแนกแสดงไว้หลายวิธีด้วยกันวิธีนั้นก็คือวิธี มีลักษณะคล้ายๆกับถนนซึ่งก็มีอยู่หลายสายแต่ว่าการไปในที่ใดที่หนึ่งของบุคคลดอกนั้นอาจจะออกจากถนนสายใดก็ได้แต่ถ้ามีจุดนัดหมายร่วมกันก็าสามารถไปถึงได้ด้วยกันเพราะธรรมเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่าปริยายคือเนิ้อเยื่ต่างๆเพื่อให้เกิด การยอมรับนับถือมีความพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติสำหรับบุคคลซึ่งมีพื้นฐานในด้านต่างๆแตกต่างกันภาวนาส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินคําว่าสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาซึ่งออกมาในรูปของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานาที่จริงคําว่ากรรมฐานที่ต่อท้ายนั้นเป็นคำที่ท่านพูดขึ้นในตอนหลัง สมัยพระพุทธเจ้าเองทรงใช้คำว่าสมถะและวิปัสนาเท่านั้นคำว่าสมถะก็คือสงบแต่จำแนกกุบายวิธีที่จะทำจิตให้สงบขึ้นโดวยวิธีการต่างๆเป็นนั้นมากแต่ว่าสิ่งที่มุ่งให้เกิดความสงบนั้นเหมือนกันวิธีก็แตกต่างกันออกไปใครจะท ถนัดจะใช้วิธีใดก็เลือกวิธีนั้นประเด็นสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่วิธีแต่ว่าอยู่ที่ความซึงบะงับแผงนิวรณ์ตั้ง5ประการและนิวร์ตั้ง5ประการนั้นก็เป็นชื่อของกิเลสซึ่งอาจจะมีชื่ออย่างอื่นก็ได้แต่ปรากฏภายในจิตของเราในรูปของนิวร์ แต่บางครั้งประชาชนตั้งหลายจะเห็นว่าเราจะมีความลิสยาความพึงหวงหรือความถือตัวความแข็งดีอะไรต่างๆตัวแวรกไกลๆจะไม่เป็นนิวร์แต่จริงแล้วกิเลสเหล่านั้นก็คือนิวร์แต่มันเกิดมาในรูปของการผสม อย่างความริษยานั้นเป็นกิเลสประเภทกรรมฉันผสมกับกิเลสประเภทพยาบาทหากว่ามีการวิเคราะห์ตรวจสอบดูจิตใจให้ดีก็จะพบ ว, ว่าความริษยานั้นมีลักษณะแยกแล้วมาร่วมกันมีคนเจริญประสบความสำเร็จได้ลาบได้ยศดได้ชื่อเสียงหราอเกิดริษยา แต่ถ้าหากว่าตั้งปัญหาถามขึ้นภายในใจว่าทำไมจิงริษยาถ้าไม่ข้าข้างตัวเองเราจะได้คำตอบว่าเพราะเราอยากได้ลาบยศสรนเสริญเ่านันจะเองแต่พอดีคนอื่นก็ได้เราก็เกิดฤติยานี่ก็เป็นอาการของการมัจทาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่พอใจไม่ชอบใจในคนที่ได้ลาบยศสรนเสริญเรานั้น ในส่วนตัวบุคคลนั้นกโกรธแต่ในส่วนติสิ่งที่เขาได้นั้นโหรกแล้วมันกลายเป็นกิเลสที่ผสมกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีโมหะคือความลงโฉมคือไม่ได้สืบศึกษาสืบสาวถึงที่มาของลาภยศสรรเสริญสุขเหล่านั้นมาเป็นการได้มาโดยวิจิัด แต่เขาได้มาด้วยความถูกต้องดีงามด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความการท่าอุตสาหะด้วยความซื่อสัจสุจริตเป็นเรื่องที่ควรแก่การมุติตาคือชื่นชมยินดีในความเจริญก้าวหน้าของเขาแล้วถ้าเราปรารถนาด้วยแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามระพฤตปฏิบัติด้วยความซื่อสัจสุจริตไปเราก็จะได้อย่างที่เขาใจ แสดงเห็นว่าลาบยศสรรเสริญที่คนอื่นก็ได้นั้นหากวาใจิตใจเรามีคุณธรรมอยู่ภายในใจเราก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ที่เราจะโกรธคนนั้นเราจะชื่นชมคนนั้นแต่ที่เราจะเกิดโลภในของที่เขาได้โดยทางที่ไม่ชอบไม่ควรอันเป็นมนโนทุจริตเราเกิดโลภเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ศึกษาวิธีการที่จะได้มา ล้วก็ไปปฏิบัติไปตามพิธีการเหล่านั้นทึ่งโอกาสหนึ่งก็ได้จะเดียวกันในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบทำด้วยความไม่สุจริตด้วยความช่อดชดในด้า น, นต่างๆราจะเกิดสงสารเขาที่เขาได้มาโดยวิธีนั้นในขณะเดียวกันเราก็ไม่เกิดความอยากที่จะได้อย่างที่เขาได้ พราะตัวคนเราเกิดสงสารสิ่งที่เขาได้เราจะไม่เกิดความอยากแต่ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการสํารวมระวังที่จะไม่ประพฤติไม่กระทําในลักษณะนั้นเพราะปัญญาได้ทําหน้าที่ขจัดโมฆะออกไปอย่างน้อยก็อยู่ในวิสัยที่จะมองสิ่งเหล่านั้นชัดเจนได้ว่าไม่ว่าลาบยศสัเสนก็ตามมันเป็นโล ก, กีรธรรมเป็นสมบัติในโลก ใครจะยื้อแย่งใครจะครอบครองใครจะดิ้นรนใครจะกวนควายใครจะได้เป็นอย่างไรก็ตามมันก็จบลงที่ไม่ได้เป็นแล้วความเป็นแล้วไม่ได้เป็นที่จริงเปประสบการณ์ในชีวิตของบุคคลบางครั้งเราเห็นว่าเป็นช่วงที่สั้นๆมากเช่นในพิธีเทศกาลในต่างๆ เด็กบางคนอาจจะรับการสมมติเป็นนางสงกรานต์เป็นเทพี่อะไรต่างๆผู้ชายบางค น, นได้รับตำแหน่งเป็นราชาเป็นเท้าสงกรานต์อะไรก็ได้ในขณะนั้นจะมีปฏิทัติปฏิทวรห้อมล้อมมีคนเอกโอกใจพนาพน า, พนาด้วยประการต่างๆผ่านไประยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเ่าก็คืนสู่สภาพเดิมคือไม่ได้เป็น คนที่เคยพินอกพิเทาก็เลิกพินอกพิเทาเลิ ก, การแสดงในลักษณะนั้นมันแสดงเห็นว่าความเป็นทั้งหลายจริงๆมันก็สมมติสมมติให้เป็นและในสุดก็จะมีจุดจบของเขาจังการาการก็จบที่เกษียณแต่ก็ไม่เกินไปจากจบที่ตายเพราะแต่จุดนี้เองเมือม่อธรรมะเกิดขึ้นเราก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกเรื่อง แต่ถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลไม่สามารถส ง, งบนิวรณได้อาการกิเลสประเภทต่างๆที่ท่านจำได้แสดงเอาไว้โดยในยะมากมายนั้นก็จะเกิดขึ้นได้แม้ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นหากว่าโมหะคือความหลงมีมากแล้วความโลความโกรธมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเรื่อง ยันที่เราพูดกับคนตกก็แช่งคนแรกก็ดา่านั่นคือเป็นอาการทางจิตประการหนึ่งของบุคคลที่ขาดการควบคุมจิตขดัดความมีเหตุมีผลมันมีอาการของโมคะมีอาการของโทสะครอบงําใจอยู่เรื่เพราะนับางทีฝนตกก็แช่งคนแรง ก, ก็ดา่าลมพัดก็อึด อ, อัดเสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์เสียงไรเราจะอึดอัดไปทั้หมดเลย จิหงุดหงิดจะรำคาญจะงุนกันนั้นแสดงถึงจิตที่สูญเสียความเป็นปกติสูญเสียการควบคุมจิตไม่มีภูมิต้านทานที่ท่านอุปมาเหมือนจิตที่เป็นแผลคือเหมือนแผลเราดูว่าแผลอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเรากระทบอะไรนิดกระทบอะไรหน่อยกระทบลมก็เจ็บกระทบน้าก็เจ็บกระทบสิ่งแข็งๆยิ่งเจ็บใหญ่ จิตใจที่มีความบกพร่องก็มีลักษณะอย่างนั้นพระวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตที่จริงแล้วเป็นการเริ่มต้นมาจากศีลแล้วแต่ว่ายังไม่สงบมากพอมันสงบได้แค่กายกับแค่วาจาแต่นั่นเองจิตใ จ, จยังหมกมุ่นคุนคิดด้วยอารมณ์ที่ทำให้มีความขุมม่มัวเศร้าหมองมันเกิดขึ้น วันพระเจา้าก็ส่งแสดงวิจีตรเรียกว่าสมถะแล้วให้จิตไปเกาะอยู่ในจิตใดจิตหนึ่งเพราะการที่จิตตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสไม่ว่าจะมีชื่ออย่างไรก็ตามมันเรื่องของจิตที่ไม่สงบวิ่งสายไปกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสบ้างแม้จะไม่มีอารมณ์เหล่านั้นผ่านมา ก็ไปปรุงคิดไปคิดปรุงกิดด้วยประการต่างๆเก็บของเก่าขึ้นมาคิดทึงนั้เราสังเกตว่าของเก่าที่เราเก็บไว้ภาในใจเมื่อคิดแล้วมันจะเกิดอารมณ์เดิมอารมณ์ทนองเดียวกับอารมณ์เดิมเกิดขึ้นคิดถึงคนรักคิดถึงสิ่งที่เรารักคิดถึงของที่เราพอใจชอบใจก็จะรู้สึกเบิก บ, บานเพลิดเพลินชื่นชม แต่ใ น, นสุดจบลงด้วยความหดหู่เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นได้ผ่านมาแล้วพอคิดถึงคนทึงสัตว์ที่เราไม่ชอบอรู้สึกอาการเครียดแค้นจริงชังอยากจะโต้ตอบอยากจะทําลายแต่ว่าจบลงด้วยความทุกข์เพราะว่าคนเหล่านั้นตายไปหมดแล้วหรือว่าเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็ไม่อยู่ในสถานที่นั้นค ว, ความคิดเหล่านี้ถ้าเริ่มต้นที่กิเลสแล้วก็จะจบลงด้วยความทุกข์ ว่าจะคิดถึงเรื่องรักก็ตามเรื่องจังก็ตามการจะพิสูจน์ทดสอบก็ลองดูลองคิดดูนะหรือตั้งปติลองคิดดูเหนียวไปในอารมณ์อดีตถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกิเลสที่เพิ่มความรักความจังแล้วจะจบลงจีกความทุกข์แต่มีอารมณ์เป็นนันมากที่เราหวนลึกย้อนระลึกแล้วเกิดปิติประมุ่นเกิดความอิ่มใจขึ้นมาที่ได้ประพฤติิระกธรรมในลักษณะนั้นเช่นว่า ในสมัยเป็นเด็กใะสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวได้บำเพ็ญประโยชน์ใดอย่างหนึ่งได้ช่วยเหลือคนใด้หลุดรอดจากภัยอันตรายได้ไดแก้ปัญหาเกิดใครอย่างไรได้ช่วยบำเพ็ญบุญในทางศาสนามาเป็นกุศลสาธารณะเป็นต้นพวกนี้มันที่จริงในขณะนั้นเราก็สบายใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวัวนำมาคิดอีกมันจะเกิดปีติปราโมทย์เกิดฉันทะอุตสาหเกิดความเพียรพยายามที่จะประพฤติกระทํำต่อไปอีก แสดงว่าไม่ได้จบลงที่ความทุกข์แต่จบลงที่ความกติร้รนจะเพิ่มพูนความดีเหล่านั้นให้ปากขิงขึ้นเพราะ <c oughs> อารมณ์ <c oughs> ที่ทรงสอนให้เจริญมันก็กลายเป็นอารมณ์ในสามแนวใหญ่ๆเกิดตามกลุ่มของธรรมะนั่นเองกลุ่มแรกก็คือเรื่องของสิ่งที่ดีงาม มันมีอยู่ภายนอกบ้างอมีอยู่ภายในใจบ้างคือเป็นประสบการณ์ตรงของเราอะไรบ้างสิ่งที่อยู่ในภายนอกนั้นเมื่อเราตั้งสติระลึกรู้อยู่จะเป็นพระพุทธพระกุฎพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรก็ตามมันจะเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสเกิดความผ่องใสเกิดปิติประโมทที่เข้าไปที่ตนเองได้มีส่วนเกี่ยวข้องในปะ ประกาศตนนับถือพระตัณ์ไตรเป็นที่พึ่งจิตลึกเฮนาายมาศึกษาใบปฏิบัติไปทำขั้นตอนที่ทรงแสดงไว้ในธรรมะกลุ่มนี้ปิติประมุก็บังเกิดขึ้นน้อมนำจิตใจก็สู่ความสงบมันก็กลายเป็นการสงบดีวอนในเดียวกันบางอย่างเป็นเรื่องประสบการณ์ตรงอย่างที่ว่าแล้วหมายความว่าเป็นสุขสัมผัสที่เราเคยสัมผัสมาแล้ว แต่ว่าผ่านการเวลาบั น, นานบ้างไม่นานบ้างแล้วก็เนียวนึกขึ้นมาใหม่แต่เนียวนึกด้วยกุศลเจตนาเราสิ่งที่เหนียวนึกมันก็เป็นกุศลกรับเช่นที่ทรงแสดงเรื่องศีลานุสติเรื่องจากขาดุติสีลานุสติก็คือตามระลึกถึงสีของเราเองที่รักษาที่สมาทานเมื่อไรก็ได้ก็มาระลึกดู เตือความบริสุทธิ์หมดจดของศีลไม่จะเกิดปีติประโมทมเกิดปีผิดใจกระแสจิตมันก็ไหลก็สู่กระแสธรรมไปตามลำรับเรื่อการเสียสละการบริจาคของตนเองที่ใดประพฤติธรรมแล้วจะเกิดปีติประโมทเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไปราลึกถึงศีลของบุคคลอื่นลึก ถ, ถึงการเสียสละของบุคคลอื่น แต่เป็นการระลึกอย่างมีสติสัมรชัญญะความเพียรที่เป็นกุศลประกับของใจของบุคคลไว้อยู่ก็สามารถที่จะประโยชน์ได้ทั้งจากศีลและจากจากค่ของบุคคลอื่นทั้งทางที่เรายังไม่ได้ประพฤติกระทเพราะรพระใจจะชื่นชมยินดีในกุศลธรรมเหล่านั้นเราจะอโมทนา เพลิเพลนยินดีในความดีของท่านเหล่านั้นที่ได้ประพฤติธรรมในขณะเดียวกันเราก็ปรารถนาผลเช่นเดียวกับที่ท่านได้รับบางทีจะมีการน้อมนําหลักปฏิบัติเหล่านั้นมาเป็นแนวในการดําเนินชีวิตก็คล้ายๆกับการศึกษาประวัติวีรชนทั้งหลายประวัติของมหาบุรุษทั้งหลายประวัติของพระพุทธเจ้าพระยาสาวกเพื่อ น, น้อมนําเอาหลักการดํารงตนการปฏิบัติตนของท่านเหล่านั้นมาเป็นแนวในการดำรงชีวิตของเรา เพื่อเราจะได้เป็นคนดีมีความสุขมีความสงบตามที่ท่านได้มีได้เป็นมาแล้วที่บางอย่างเป็นเรื่องของพวกกุศลและพวกพวกธรรมะที่เป็นกลางๆทั้งหลายตามปกติแล้วอารมณ์ที่จะทำจิตให้สงบนั้นเนื่องจากจิตมันตกอยู่ภายใต้ใตกระแสของกิเลสาะการดึงข้ามไปทีเดียวไปถึงกุศลเนี่ยมันคล้ายๆกระแรงต้านทานมากเกินไป คล้ายๆกับคนที่กระปุกกระเปียมาจริงๆจะลุกเดินโ พ, พรา่าตลุกเดินลุกยืนลุกเดินโ พ, พร่าตไปเลยมันคงทําไม่ได้มันก็ค่อยลุกก็ค่อยประคองตัวขึ้นมาเด็กค่อยๆ ย, ย, ยืนขึ้นค่มั่นคงก่อนเด็กค่อยๆเดินวัฏจักรในบทมันก็แนวเหมือนกันคําสอนจึงมักจะเน้นไปที่สิ่งซึ่งเป็นกลางกลางหมายความว่าตัวสิ่งนั้นเองไม่เป็นทั้งกุศลและไม่เป็นทั้งอกุศล เต่มเป็นสภาพธรรมชาติธรรมดาที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นตลอดชีวิตคือเราแยกจากเขาไม่ได้เลยเพราะเราก็คือเขาแล้วเขาก็คือเราแล้วเขาก็อยู่แวดล้อมเราอยู่นั้นก็คือพวกกระสินทั้งหลายพวกดินน้าลงไฟพวกสีทั้งหลายสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดาสีอะไรก็ตามนะที่สีผ่านมารมชาตธรรมา พวกอากาศและเราทั้งพวกวิญญาณตรงเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้โดยสภาพเขาแล้วเขาเป็นกลางกลางเจตใจเรายัางไม่เข้มแข็งพอสมมติว่าใจที่ถูกรุ่มรุ่มด้วยกิเลสมารุนแรงและนิ่งๆจะไปปฏิบัติธรรมะเลยเกลโกรธแล้วไปถึงจะไปจะเจริญกรรมฐานเลยนี่คงจะไม่ไหวใจมันกลต้านทานมันก็ค่อยตายกันไป มาทำใจให้ส ง, งบอยู่กับสิ่งซึ่งเราไม่ถึงรักไม่ถึงจังตอนตอน้องในความคิดนี้ก็ใกล้ๆกับกที่รุ่นปุยยาตายายนั่นพูดว่าเวลาโกรธแล้วก็ให้นับหนึ่งถึงสิซะก่อนเป็นวิธีการดึงจิตจากอารมณ์ที่ทำให้เราขุดหมัวเศร้าหมองไปสู่อารมณ์ที่เป็นกลางๆเพราะการนับนั้นก็คือกลางกสิ่งที่เรานับก็บกลางก วันอุบายวิธีเหล่านี้จึงมีกําหนดแสดงไว้เป็นอันมากบางอย่างนั้นเป็นที่เกิดของกิเลสมากกว่าเป็นที่เกิดของธรรมะแล้วพอมานในชีวิตประจําวันของเราเวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นกิเลสมักจะเกิดขึ้นมากกว่าธรรมะมันเกิดเช่นอะไรเช่นพวกรูปร่างกายทั้งหลายพูดไงว่าคนน่ะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของคน เพนี้จะมีอิทธิพลเหนือใจอยู่มากใจคนจะไปกําหนดด้วยอานาจความกัหนัดในลักษณะยึดติดของความเกาะกลุมแผงสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจะทรงสอนพวกกรรมาฐานประเภทที่เรียกว่ากายกตาสติคือตั้งสติระลึกรู้ดูที่กายของเราก่อนกายของเรานั้นเห็นได้ชัดกว่ากายคนอื่น ก็ดูที่กายก็เราให้ชัดดูผมดูขนดูเล็บดูฝันดูหนังดูเนื้อของเราให้ชัดเพราะโดยสภาพจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไงาก็เราจะพราบว่าเป็นเรื่องเหมือนกันคือส่วนประกอบก็เป็นดินน้ำลมคอยอากาศด้วยกันของคนอื่นก็คือกันพราะดูอะไรที่น่าเพลิดเพลินชื่ น, น, นชมจินตี การดูดชัดแล้วก็จะพบว่าไม่มีอะไรที่น่าเปลืปล้อนๆจุดๆยินดีน่าึดหน่านติดจิตใจก็จะถ่ายถอนปลดคลายความกดดันลงไปหากว่าทำได้ในจุดนี้ก็เอานในจุดนี้ถ้าทำไม่ได้เรนก็เดินไปจุดที่เห็นในชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือหมายความภาพเหล่านั้นจะช่วยมากยิ่งขึ้นคือแต่ที่เราจะปรุงเอาเองเราจะน้อมนึกเอาเองเนีย ไม่ต้องไปปรุงไปแต่น้อมนึกเกิดก็ปรุงให้เสร็จแล้วนั่นก็คือการแยกกาย เ, าเป็นธาตุสี่หรือไปดูทักศพในป่าชาทั้งหร่ตามปกติแล้วในภาพในปัจจุบันนั้นก็คงดูได้ยากแต่ยิ่งปัจจุบันก็ไอ้เทคโนโลยีต่างๆมันก็เข้ามาช่วยโดยเพะพวกภาพสไลด์พวกภาพปยนต์เนี่ยต่างถึงสามารถจะไปถ่ายทําภาพเ่านัน แล้วก็มาเพ่งปินิจปิดดูได้แต่ปรารถนาจะเจริญปรารถนาจ ะ, จะเจริญกรรมฐานประเภทนี้แต่โปรดเข้าใจว่ากรรมฐานประเภทนี้พระพุทธเจ้าจะไม่สอนแก่คนทั่วไปเพราะว่าโดยพื้นอัตยาสัยแล้วคนจะกลัวผีแล้วจะอ้างอะไรก็ตามฮะจริงๆแล้วก็คือกลัวผีกลัวสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นมันเป็นอะไรแล้วก็มักจะมองศพเป็นผี ก็ทำให้กลัวทรัคศพไปได้แต่นั่นท่านจึงสอนเฉพาะคนที่กิเลสเรียกว่าตัณหาจะิตกล้าปัญญาน้อยไม่สามารถเดียดน้อมนึกดูข้างในตัวเองได้ให้ดูกรรมฐานประเภทนี้เพื่อจะถ่ายถอนความกหนัดความยึดติดในรูปเราดัานออกไปแต่บางทีนี่ก็จะเพิ่มพวกกุศลธรรมซึ่งก็มีเชือ้อมีพื้นอยู่ภายในใจเราแล้ว ในเการเพิ่มกุศลธรรมนั้นจะมีลักษณะเหมือนการรับประทานอาหารรับประทานยารู้สึกษาถึงอาการของโรคศึกษาสมุทฐานโรคกำหนดเป้าหมายคือการหายจากโรคไว้แล้วก็รับประทานยาหริอฉียาซึ่งมีคุณภาพสามารถขจัดสมุทฐานของโรคได้ลงไป แต่ยาที่จิตหรือที่รับประทานเข้าไปนั่นเองจะทําปฏิกิริยาต่อสมุทรฐานโรคกระจะสมุทฐานโรคอาการของโรคก็ึงบความสบายก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติแนวนี้ท่านจึงเน้นมากว่าเป็นภาวนาคือว่าอบรมกระทาให้มีขึ้นไม่เป็นขึ้นส่วนหนึ่งก็มีอยู่บ้างแล้วเพียงแต่วว่ามีไม่พอที่จะซสงบกิเลส เรืออาจจะส ง, งบกิเลสบางระดับได้แต่ถึงบางระดับมันก็ส ง, งบไม่ได้เพื่อตามปกติแล้วคนเรานั้นเอาชนะกิเลสได้บางระดับอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแพ้กิเลสทุกเรื่องอย่างนี้ก็แย่แล้วมีเป็นนั้นมากที่เราเอาชนะมาได้ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมามีปัญหาที่ให้โกรธมีเรื่องที่ให้โลภมีปัญหาที่ให้หลงแต่เราก็ขจัดปัญหาเหล่านั้นไปได้ เพราะพื้นฐานความรับรู้พื้นฐานทางปุปปัญญาของเราในระดับนั้นเรามีใช่เราแก้ไขปัญหาในจุดนั้นได้แต่เรื่องเรื่องของอารมณ์ที่มากระทบจิตนั้นเป็นอารมณ์ที่เราเลือกเองไม่ได้แต่เป็นเรื่องของเขาเรามีส่วนก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นแค่นั้นทหันทํายังไงปุ่ม ทำภูมิจิตของเราจะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแม้อารมณ์ที่จงใจค่อนข้างจะจงใจอารมณ์ประเภทยั่วยุยั่วยวนนั้นนายลองสังเกตว่ามีอารมณ์ที่จงใจจงใจยั่วยวนจงใจยั่วยุหมายความอารมณ์ยั่วยวนก็ปรุงแต่งขึ้นอารมณ์ยั่วยุก็ปรุงแต่งขึ้นโดยมุ่งหมายที่จะแสวงหาประโยชน์กับเรา ซึ่งก้อ น, นี้ท่านสาธาชนจะบอกเหตุได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเมื่อรกราวโดยสรุปพระพุทธเจ้าทรงชช้คําคว่าอัตาตอาอตนายะคือต้นกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตนเพื่ออารมณ์ยั่วยุกับอารมณ์ยั่วยนเนี่ยอารมณ์ยั่วยวนนั้นจะมุ่งสแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราเป็นหลัก ดึงการโฆษณาสินค้าพยายามโน้มน้าจิตใจเราเห็นตามคล้อยตามเพื่อจะซื้อหาสินค้าเหล่านั้นมาใช้สอยผริโภคแต่เราเห็นตามคล้อยตามเราก็ต้องจ่ายเงินหากบางน้อยบ้างก็ับทุกท่านนี้แสดงว่ามุ่งจริงๆนั้นมุ่งได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราเป็นหลักแต่อารมณ์ยั่วยุนั้นจะมุ่งทําลายตัวเราเป็นหลัก แต่ว่าท่าทายท่าตีถ้าต่อยนีคือเมื่อเราคอยตามไปตามก็ไปลงตีต่อกระเขาเามันก็บาเดเจ็บไปอาจจะล้มตายไปเพราะอารมณ์หล่นนี้ถ้าหากว่าปัญญาเกิดขึ้นหรือว่าธรรมะที่ได้จากการภาวนามีกระฟังมากพอมันจะมีการวินิจฉัยอารมณ์ซึ่งพระพุทธเจ้าพระหันตั้งหลายเองก็คือกันก็มีอารมณ์โยโยยวนอยู่ตลอด มันไม่ใช่ว่าพอพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระหันแล้วไม่มีอารมณ์หลดนั้นมันก็มีอารมณ์ย่อโโยย ว, ยวมาจากข้าง น, นอกมันอารมณ์นอกเนี่มันมีเราไปหลีกหนีอารมณ์หลอดนั้นไม่ได้เราแก้ที่ใจเราเราไม่แก้ที่ตัวอารมณ์เพระวิชาท่านไม่มีเชื้อกิเลสเป็นเหตอ่อนไหวไปตามอารมณ์หลดนั้นแม้จะมีการย่อโยโยยนมันก็สักไปว่าอารมณ์ ที่โรงสอนคำศัพท์แต่วรูปศัพท์แตว่าเสียงศัพท์ต่ว่าิน่นศัพท์แต่ว่ารสศัพท์แต่วาเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรแต่การที่จะเข้าถึงคําว่าไม่มีอะไรในระดับนั้นได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่คนปกติเม่นก็แขวะมันก็หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบในตอนอารมณ์ระดับหนึ่งเนี่ยเขาไม่กระทบพอถึงอารมณ์อีกระดับหนึ่งมันก็แขวะ คลา้คลาๆกับมีการด้อยยุให้โกรธหรือด้อยยุย้นให้รักหรือให้โลภอยากได้ก็ตามมีการโฆษณาสินค้าเป็นอันมากที่เราอ่านแล้วไม่สนใจเลยนั้นแสดงให้เห็นถึงภูิปัญญาของเราที่มีการวินิจฉัยตัดสินประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็เห็นว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นไม่เป็นประโยชน์สําหรับเราหรือว่าแม้เป็นประโยชน์ มื่ก็ไม่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไปเราก็หยุดความอยากไปได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีการโฆษณาสินค้าเป็นอันมากพอเห็นแล้วเกิดสนใจทันทีสนใจขนาดนั้นไม่พอก็จับโทรศัพท์ศึกษาสอบถามรายละเอียดจะขอดูตัวอย่างจะไปดูอะไรเนี่ยคือแสดงว่ากิเลสเริ่มมีที่พลแล้วคือเรานิ่งๆไม่ได้แล้วมันต้องลุกขึ้น ลุกขึ้นโทรศัพท์ต้องลุกขึ้นไปศึกษารายละเอียดต้องเดินไปดูตัวอย่างอะไรทั้นีทีนี้ถ้าก็เกิดมากกว่านั้น่ะเหตุผลสติปัญญาเนี่ยมันจะลดลงไปเพราะงั้นอาจจะใช้วิธีการโทรศัพท์สั่งเลยโดยไม่ได้ดูลักษณะสินค้าอะไรแต่ประกรันใดนั้นแสดงให้เห็นว่าโลภะแก่มากทำให้โมหะเขามาก้วยเพราะงั้นเหตุผลที่จะใช้ในกรณีนั้นมาเกิดใช้ไม่ได้ ิคนก็จะอ่อนไหการเพิ่มพูนในแนวธรรม ะ, ะก็คือคือเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนั้นเป็นธรรมะที่กระจัดอวิชชาจึงเป็นรากง่าวของกิเลสอยู่แล้วเพราะนั้นว่าปลูกฝังเพิ่มพูนธรรมะส่วนนี้ขึ้นกิเลสประเภทต่างๆก็ต้องลดลงไป พยายาลืมว่ากิเลสเนี่ยมันมาจากอาวิชชาทั้งหมดไม่ว่าจะมีชื่อยังไงก็ตามตีปัญญากับสติเนี่ยหรือสัมมญญาจาญย์กับสติเนี่เป็นตัวฆ่าศึกของอวิชชาโดยตรงเอาความเรื่องจุดใดก็าตามที่เรามีปัญญาอยู่จุดนั้นอวิชชาจะมีไม่ได้เราถูกปัญญาได้กระจัดออกไปแต่เมื่อกิเลสมันเกิดสืบเนื่องมาจากอาวิชชาธรรมะมันก็เกิดสืบเนื่องมาจากปัญญาหรือเกิดสืบเนื่องมาจาก วิจาพอจิตใจเริ่มมีสติเริ่มมีสัมผััญญาที่เป็นฐานใจเป็นหลักใจอยู่ระดับพอสมควรแล้วความเข้มแข็งที่จะประทะกับอารมณ์ที่จะเพิ่มกิเลสมันก็จะมีมากขึ้นเพราะั้นกิเลสจะซึมเข้าไปสู่ใจได้น้อยลงแต่ในขณะเดียวกันคุณธรรมต่างๆซึ่งส่วนหนึ่งเราได้สัมผัสแล้ว เรจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีความพอใจมีความยินดีในคุณธรรมเหล่านั้นการปฏิบัติในแนวนี้ทั้งก็สรุปร ว, ว่าเป็นสมถะคือทําให้มันเกิดความสงบขึ้นแล้วเมื่อสงบได้อย่างนี้แล้วท่านสาชนจะกลับไปมองที่มานทั้ง5้าประการตั้งแต่ารบัตรด ด, ดับเราจะพบว่ามารเหล่านั้นก็ต้องสงบตามไปพระพุทธเจ้าท่านทรงพิชิตรมานได้เด็ดขาดเราตัดรากของมานเขื่อวิชาได้ เราดันไว้ถึงขนาดนั้นแต่เราก็เดินตามรอยพระพุทธองค์ไปกิเลสมานบางอย่างเราก็ต่อสู้ได้ซึ่งก็ได้ขันธมาปรปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ขันธ์บางเรื่องบางจุดเราก็ถ่ายถอนความยึดมั่นลงไปได้อภิสังขารมารที่เป็นบาปเราก็ขจัดได้เพิ่มขึ้นมัรุมารคือความตายกรตายเม่อไรก็ไม่สําคัญอะไรเราก็มีสติตาย เตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป